ไม่เห็นว่ามันเพื่อความความเทียงกันบ้างนะหรือเพื่อให้จะได้เราไม่แต่กราบพระเนาะก็สามารถมีจิในขนาดที่กราบพระได้อย่างเรากราบเป็นจังเข้าไปกตินั่น ก, น ก, ปปนก็มีจังหวะในการกราบก็กราบแบบรู้สึกตัวกราบไปจิตใจอยู่กับการกราบนั่นจะถึงพระจริงๆนะไม่ใช่กราบแตเพียงแต่ รูปแบบภายนอกโอเคแต่เราถ้าเรากราบพระแล้วก็ติดใจมีสติรู้ถึงการกราบอยู่ใจก็เป็นพระพุทธธรรมประสงค์แบบนี้นะอย่างท้างพิเบนนะเาก็กราบพระแบบเรียกว่าอัฐฐานขระประดิษฐ์แปดส่วนสัมผัสกับพื้นนะบางทีนะเขากราบทั้งวันทั้งคืนเลยนะตั้งใจกราบวันละหลายร้อยหลา ย, ลา ย, ลายพันครั้งนะกราบจนเหนื่อยเป็นเรียกว่าเป็นการ ฝก ส, สติในขณะกราบกราบพระก็ได้นะคือไม่ใช่กราบแล้วก็อ้อนบอนขอร้องให้ให้พระช่วยให้พ้นทุกข์เลยนะหรือทําเพราะว่าหวังว่าจะได้คุ้ณพิเศษอะไรไม่ใช่นะแต่ถ้าเราทําอะไรก็แล้วแต่ทำอย่างมีสติอ้าวอันนี้แหละมันจะได้ความพ้นทุกข์ของมันเองโดยไม่ต้องออนบอลขอร้องนะเหมือนกับเราทํางานทําการไม่ต้องไปขอร้องให้ใครเอาเงินเรียนมาให้ช่ มันก็เพราะว่าเร า, เราทนะําหน้าที่ของเราถูกต้องแล้วนะมันก็ต้องได้รับผลที่สมควรกท่นั้นด้วยแต่งานทางโลกมันยังมีการโกปร่งมีการเบียดเบียนยังมีอะไรกันได้นะแต่งานทางธรรมนี่มันเรียกว่าเป็นกดตายตัวถ้าทําเหตุถูกต้องแล้วจะรองผลก็ตามมาเองเลยไม่ต้องไปขอรอรัปชัเพราะว่าเหตุและผลเหตุปัจจัยมันเป็นของมันเช่นนั้นอยู่แล้วน้ะคือนะอ น, นี้ก็คือเป็นสิ่งที่ ให้พวเราเรียนรู้วันจะทําทอะไรก็แล้วแต่นะพยายามลองดูว่าเรารู้ตัวของเราหรือเปล่านะใจเราไปอยู่ที่ไหนนะใจมาอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอยู่ในปัจจุบันมันะ้ยการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องอื่นไกลไม่ใช่เรื่องไกลตัวแค่กลับมาอยู่กับปัจจุบันแค่นะั้นพอเลยอดีตก็ตามอนาคตก็ตามมันก็มีของมันอยู่ แต่สิ่งที่เราสัมผัสได้จริงๆคือปัจจุบันเท่านั้นแค่เรากลับมาสัมผัสที่ปัจจุบันจริงๆการปฏิบัติธรรมคือการอยู่กับปัจจุบันให้ได้นะเมื่ออยู่กับปัจจุบันก็ไม่ใช่อยู่อย่างทุกข์ในปัจจุบันนะบางคนบางครั้งมันทุกข์นะบางคนก็คิดว่าอยู่กับปัจจุบันก็ต้องอยู่กับความทุกข์ก็รานะต้องไปอินกับความทุกข์กรานะหรือบางคนมีความสโศกเศรนานะก็อินกับความสศกสศรนาเพราะนั้น สัาปะําธรรมโลกที่ว่าอยู่กับ hmm, ป uh, ัจจุบันก็อาจจะใช่นะแต่อยู่ปัจจุบันในการปฏิบาธรรมหมายถึงว่าเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่ไม่ได้เข้าไปเป็นกับอารมณ์นั้นอ๋อเห็นเห็นว่าความสุขความทุกข์บ้างความเศร้าบ้างความไม่สบายใจบ้างเกิดขึ้นในปัจจุบันรู้เห็นตามความเป็นจริงมีความสุขมีความสบายมีความสงบมีความปิติเกิดขึ้นในปัจจุบัน ก็รู้ก็เห็นแต่ไม่ได้เข้าไปเป็นอันนั้นนะที่ว่าเป็นการอยู่กับปัจจุบนันอย่างไม่เข้าไปเป็นกับอารมณ์นั้นๆเนะองรเรามาฝึก น, นะปัจจุบนันจะเกิดอะไรขึ้นก็อยู่ตรงนั้นอยู่กับตรงนั้นอดีตวางไว้ก่อนอนาคตวางไว้ก่อนนอกจากเป็นเรื่องการเรื่องงานเรื่องต้องคิดวางแผนเรื่องต้องคิดทบทวนสิ่งที่เคยทํามาเพื่อปรับปรุงในอนาคตนั้น แบบนี้นค่อยไปตั้งใจคิดนะค่อยไปตั้งใจคิดไม่ได้ผิดนะหมายถึงว่าถ้าตั้งถ้าตั้งใจคิดนี่ไม่ผิดแต่อยากให้พวกเราได้ลองวางความคิดก่อนพอดีเนาะใช่จริงเราฝึกในการใช้ความคิดฝึกในการคิดกันมาเยอะแล้วแหละเนาะเรียนหนังสือสนี่สอนนี่พวกเราได้คิดเก่งก่อนที่เราเขียนรายงานก่อนที่ทาข้อสอบต่างๆมันต้องใช้ความคิดทมา้นเลยนะแต่สิ่งที่พวเราไม่ค่อยได้เรียนรู้คือคาคาการวางความคิดในการวาง ความคิดต่างๆเนะี่ยวางได้ไหมนะวางเรื่องการเรื่องงานไว้ก่อนวางเรื่องครอบครัวไว้ก่อนวางเรื่องอะไรต่างๆไว้ก่อนวางไว้แล้วก็กลับมาอยู่ปัจจุบันการปล่อยวางในที่นี้ไม่ใช่ว่าการรักเลยไม่เอาใจใส่นะไม่ใช่นะเหมือนกับเรารู้จักวางสิ่งของอะ่ะตอนจะถือก็ถือตอนวางก็ต้องวางให้ได้เหมือนกันนะัะไม่ใช่ถือตลอดเวลาเนะี่ย การปวางไม่ใช่การละเลยหรือไม่เอาใจใส่ไม่ดูแลไม่ใช่มีการมีงานมีครอบครัวมีเพื่อนมีติ่งที่เราเกี่ยวข้องเราก็ถึงตอนที่ต้องเกี่ยวถึงตอนเกี่ยวข้องเราก็หยิบมาใช้ในฐานะเป็นอาจารย์ในฐานะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกในฐานะเป็นเพื่อนก็หยิบเอาบทบาทนั้นมาใช้นะเหนะมือนอย่างจารย์อาจารยบอกท่านถอดหมวกนะแต่จริงเราก็มีหมวกเป็นทุกคน่แหละแต่รู้จัก ถอดหมวกใบหนึ่งมาใส่หมวกอีกใบหนึ่งนะเปลี่ยนฐานะเปลี่ยนบทบาทหนะ้าที่คือบางทีก็เล่นตามสมมุติเล่นตามหมวกเล่นตามบัวโขนที่ที่ต้องเล่นนะมันก็ต้องเล่นบางทีก็ต้องเล่นเนละ่นแต่รู้ว่ากําลังเล่นอยู่นะเหมือนคล้ายๆถ้าเป็นนักสแสดงที่ดีก็จะคล้ายๆว่ารู้ว่าตอนนี้จ ะ, สะแสดงบทไหนสแสดงเป็นใครอย่างไรนะแต่เมื่อถึงค่าวลงเวทีถึงค่าวเลิกแสดงก็ต้องวางให้มันได้เช่นเดียวกัน อันนี้คือการปล่อยวางไม่ใช่การไม่มีมวกไม่มีมืมมโขนแต่รู้ว่าบทบาทหนะ้าที่มันเป็นอย่างไรแล้วก็วางมันไปแต่ก็ต้องให้รู้ตามตวามเป็นจริงด้วยว่าโขนนั้นไม่ใช่โขนจรขนาะเป็นแค่บทบาทหนะ้าที่สมมุติที่ต้องทำเท่านั้นอันนี้เนาะเนี่ยปัญญาตัวนี้นมันเกิดจากการถ้าเราถ้าเราภาวนาไปเรื่อยนะภาวนาไปเรื่อยมันจะค่อยๆ ค, ค, ค, ค่อยใจที่ต่างๆเหล่านี้มากขึ้นนะพยายามลองดูศึกษาตัเอง อะไรที่มันติดที่มันค้างไปในใจก็ถ้ามันจะโผล่ขึ้นมากับการปฏิบัติธรรมก็ไม่เป็นไรนกบางทีปฏิบัติธรรมไปอาจจะมีความคิดแทกเข้ามามากมายสารพัดตั้งแต่อดีตบ้างหรืงทีก็คิดไปถึงอนาคต บ, บ้างก็ไม่เป็นไรนะหมายถึงว่าไม่ต้องไปคิดว่าผิดทางนะมันคิดก็ให้รู้ว่ามันคิดแค่นี้พอแล้วน ะ, ะบางทีอาจจะไม่ทันผุดเป็นเรื่องเป็นราวเป็น ภาษาแค่รู้ว่าเป็นอาการมันมันจะไหลไปแค่นั้นก็ได้นะแต่บางทีมันก็เป็นภาษาเป็นเรื่องเป็นราวไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะก็แค่รู้ทันนะ่ะแค่รู้ทันว่าการผลิตมันเกิดไปคิดแล้วเท่านั้นนะแต่เราก็พยายามดูดูดูกายเป็นหลักไปก่อนก็ดีนะดูกายเช่นการเดินการยื น, กา ร, รนการนั่งการนอนการพูร่การเหยียดการเคลื่อนไหวนะการกระทบสัมผัส ต, ต่างเนะี่ย รู้รูตัวเนี้ยเป็นเป็นหลักเป็นพื้นฐานไปให้อาให้แต่อาการผลคิดนะเป็นเป็นตัวรองให้รู้กายไปก่อนเพราะว่ากายมันค่อนข้างที่จะซื่อค่อนข้างที่จะตรงค่อนข้างที่จะเรียกว่ามันเห็นได้จริงมันหยากมันกระทบมันสัมผัสจริงนะเราจะเห็นได้ง่ายเห็นได้บ่อยแล้วพอความคิดความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็ค่อยอาศัยเป็นฐานรองเป็นงานอดิเรกเป็นตัวเสริมเท่านั้นนะเป็นตัวเสริมก็ไป แต่ต่อเมื่อถ้าถจิตมันมีแตจิตมันอยากจะไปรู้ของมันเองนั้นก็ต้องปล่อยไปเนื่องของมันเพราะว่าสติบางทีก็บังคับไม่ได้แต่ใหม่ๆก็ฝึกฝนตอนนี้ไปก่อนฝึกฝนเหมือนทําอะไรก็ได้แต่ถ้าฝึกฝนนะเราออกโยคะแบบเมรุเช้านะมันก็มีท่านะก็ต้องฝึกตามท่าฝนะึกตามท่าฝึกทีราก็มีการออกความร่งกายก็ต้องฝึกตามท่าไป ทำอะไรก็แล้แต่มันองมีท่ามันก็มีสูตมันก็มีอะไรไปก่อนก็ทําทางนั้นไปก่อนทําไปก่อนเพื่ออะไรเพื่อให้มันคล่องเพื่อให้มันชํานานแต่พอมันคล่องพอมันชํานานพอมันจับหลักได้แล้วอันนี้ท่าไหนก็ได้ละนะท่าไหนก็ได้เคลื่อนไหวข่าใดมันก็เป็นจังหวะที่สามารถรู้สึกตัวได้เหมือนกันนะในเราก็ค่อยๆทาไปเจออารมณ์อะไรก็ไม่เป็นไรนะความคิดบ้างความม่วงนะก็ไม่ต้องไปกังวลใจมันนะความม่วงก็ จะเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรนะก็ปรับเปลี่ยนแก้ไขกันไปนะปรับเปลี่ยนเช่ น, านการเส้น ไ, วไหวกายให้มันประชับประเฉงนะหรือบางทีสายตาเรานะักก็เปลี่ยนการมองก็ได้นะบางคนยิ่งง่วงยิ่งอยากจะดับตาบางคนยิ่งง่วงยิ่งจะทําซึมซึมไปนะก็เปลี่ยนสายตามองไปไกลๆแบบนะี้มองไกลๆบางทีก็มองต้นไม้แบบนี้ก็ได้นะนะ เปลี weiß, uh, space, ่ยนจังหวะการเดินเปลี่ยนจังหวะการยกมือหรือเปลี่ยนอียาบทไปเลยบ้างก็ได้นะถ้ามันไม่ไหวจริงๆไปล้างหน้าล้างตาหรือนะไปเดินตากแดดนั่งนานๆถ้ากลัวงั่วไปนั่งดิมสากน้ําเลยก็ได้นะถ้ามันจะม่วก็ดับก็ให้มันตกน้ําไปอย่งี้มันจะกล้าดับไหมนะลองดูก็ได้นะเนี่ยมันก็เราก็อาศัยเทคนิคช่วยนะอาศัยเทคนิคช่วย แต่จริงก็วางใจไว้ก่อนว่าเออมันจะหายหรือไม่หายเมื่อใดก็เป็นเรื่องของมันเราแค่ช่วยเข้าไปแบบนั้นเฉยๆนะนะเราก็ช่วยเข้าไปแต่เมื่อมันมีเหตุมีปัจจัยเมื่ออะไรต่างๆมันก็เกิดผลของมันเองเพราะบางทีความม่วงบางทีมันเป็นเรื่องของกายด้วยนะบางทีเราแก้ที่ใจวางใจเป็นวางใจดีแล้วแต่อาการของกายมันอาจจะมีตึมมันอาจจะมีผลต่อนเนื่องด้วยนะบางที แต่แต่การวางใจที่ถูกไว้ก่อนเดี๋ยวอาการของกายก็ค่อยๆดีขึ้นมาเองเนาะนะอาการของใายก็จะค่อยๆตามขึ้นมาความง่วงบ้างความคิดบ้างอะไรต่างๆก็เหมือนกันนะหรือไม่แต่ความสงสัยรังเลว่าเราทำถูกหรือทำผิดนะให้รู้ไปเลยตอนที่คิดว่าเราทำถูกทำผิดตอนนั้นมันผิดแล้ว <c oughs> แต่ตอนที่รู้ว่ะมันไปคิดว่าเราสงสัยรังเลอตอนนั้นมันถูกนะคือว่า อนที่พยายามไปหาคําตอบอะไรทําไมอย่างไรตอนที่เข้าไปคุ่นคิดนะพยายามคุ่นคิดพยายามที่จะไขควนพยายามที่จะอยากให้คิดได้คําตอบตอนนั้นคือเราไปหลงอยู่ในโลกของความคิดแล้มันคิดแล้วนะแต่พอรู้ว่าเออเราไปคุ่นคิดแล้วรู้ว่าไปสงสัยแล้วให้อตอนนั้นมันตื่นออกมามันออกจากความสงสัยออกจากความคิดได้นันคือตอนนั้นมันถูกแล้วนะ ผิดก็เพื่อถูกนะแต่จริงมันก็ไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกมันเป็นจริงแค่อาการที่มันเป็นธรรมชาตินะแต่ที่ทีจรินรู้สิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นก็ถ้าดูตัวหลงแล้วรู้ตัวก็ถูกทันทีนะคือเราบังคับไม่ได้หรอกว่าจะไม่ให้มันไม่ตลงไม่ให้มันไม่คิดไม่ให้มันไม่ง่วงไม่ให้มันไม่ฟุ้งซ่านอะไรต่างบังคับไม่ได้ก็ดูอาการออกมาไปเลยมันก็เกิดตามเหตุปัจจัยของมันนะ เกิดตารเหตุตามปัจจัยทั้งภายนอกบ้างทั้งภายในบ้างแล้วก็มีหลายเหตุหลายปัจจัยแต่เราก็มีเหตุมีปัจจัยที่จะมีสติได้เหมือนกันเหตุปัจจัยที่จะมีสติกับการกับการรู้กายก็คือการเคลื่อนไหวนะี่แหละมันจะช่วยให้มีสติเร่งร่าเพราะว่าถ้าเราเคลื่อนไหวมันเกิดการกระทบสัมผัสจริงนะมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้สติมันเกิดขึ้นได้บ่อยนะพยายามเคลื่อนไหวไบ่อยนะ ตอนไหนมันจะซึมตอนไหนมันคล้ายๆมันจะเมือนะ่อมน่ะต้องเคลื่อนไหวเว้นะบางคนพอมันซึมพอมันง่วงพอมันจะเมือ่อก็ยิ่งนิ่งไปเลยเนะี่ยมันยิ่งเข้าไปอินกับมันนะก็ต้องเคลื่อนไห ว, วบ่อย ๆ, ๆอเคลื่อนไหวบ่อยๆหาวงพ่อเทียนท่านบอกว่าอย่าอยู่นิ่งๆ <c oughs> อย่าอยู่นิ่งๆนะที่จริงเราไม่อยู่นิ่งทางทางกายนะแต่ใจถ้ามันมีเครื่องอยู่ใจมันจะนิ่ง ใจที่มันมีสติเนะี่ยมันค่อนข้างจะนิ่งนะคือมันนิ่งนิ่งตั้งมั่นไม่เผลอออกไปข้างนอกนะมันจะตั้งมั่นในการรู้ตัวเพราะกายไม่นิ่งนะแต่ใจมันจะนิ่งถ้าคนมีสตินะกายขออยับเขยื้อเนเคลื่อนไหวทําการทํางานต่างๆแต่ใจมันนิ่งนิ่งแบบไม่ไม่หลงไม่คิดไม่คุ้มซ่าดหรือบางทีมันก็นิ่งอีกแบบก็คือว่าแม่หลงแม่คิด แต่ก็หลงไปนิดเดียวสะเทือนออกไปนิดเดียวเหมือนกับต้นไม้ต้นใหญ่ๆนะลมพัดมันก็โอนมันก็เอ็นไปนิดเดียวกลับมาไม่เหมือนกับต้นไม้เล็กๆนะลมพัดก็เอ็นไปเหมือนจะหักเหมือนจะล้มตรงนั้นนะถ้าเรามีหลักมัน่นคงเหมือนกับเราต่อกดักหรือว่าย่างรากุดไปลึกแล้วความมั่นคงนะมันก็จะทําให้ ไม่ไหวไม่เอ็นหรือไหวหรือเอ็นก็นิดเดียวกลับมาได้ว่าเอ็นนิดเดียวก็กลับมาได้อนเนี่ยเราพยายามดูไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวสิ่งกระเทาะใครนอกนะทำอะไรจะได้แต่ไม่ต้องกลัวแต่ก็วางใจไม่ประมาทมันรู้ทันมันเร็วๆการไม่ประมาทคือการรู้ทันเร็วๆนะไม่กลัวแต่ไม่ประมาทไม่ต้องกังวลอะไรลองทําไปดูนะเรา ลองฝึกดูมีอะไรก็อย่าเพิ่งคิดสงสัยลองเติมความรู้สึกดูัวไปก่อนเดี๋ยวคำตอบอาจจะค่อยๆเกิดขึ้นกับเราเองเนาะอาจจะวันนี้วันหน้าวันไหนก็ไม่เป็นไรวางใจไว้ก่อนวางใจไว้ก่อนไม่ต้องไปคิดหาคำตอบนะลองลองฝึกดูเดี๋ยวเราก็เชิญพวกเราจะนั่งปฏิบัติร่วมกันก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยติดเตนเดี๋ยวค่อยแยกย้ายกันปฏินนะนั่ง นั่กสตินะนั่งโอ้ โ, ด, โ ด, ดีนะมาสวนแสงในโรงเรียนนี้อากาศดีอากาศไม่ร้อนอบล้านิดหน่อยวันเะพื่อแต่ก็เย็นสบายดีดูว่าดีนะอาศัยทําความเพียร น, นะอาศัยอาการเนี้ยอาศัยทําความเพียรดีเพราะว่ามันไม่ร้อนเกินไปนะไม่หนาวเกินไปแต่บางที ร้อนหรือนาก็เอามาเป็นก็อ้างไปได้นะผม้วิจารณ์เบอกว่าบางทีคนเหตุการณ์อ้างว่าหนาวนักอ้างว่าร้อนนักอ้างว่าเช้านักอ้างว่าเย็นแล้วอ้างว่าอิ่มอ้างว่าหนุ่มอ้างว่าแก่เขาอ้างไี่หมดนะข้ออ้างอ้างด้านไหนก็ได้นะแต่ถ้าผู้ที่ทําความเคิดนะก็จะแบบไหนรูปแบบไหนก็ถือว่าต้องต้องทาคล้าย เราเอามาอ้างไม่ได้เพราะว่าถ้าอ้างตอนนี้มันก็อ้างได้หมดทุกอย่างนะเราก็อาศัยว่าแต่มาวัดอากาศเนี้ยสบายยัย่นเราก็ยั่ยว่าเหมาะสมเหมาะ ส, สมสมควรดีเพราะว่าอากาศมันค่อนข้า ง, างเย็นสบายนะที่พวกเราอาศัยอ า, าศัยตรงนี้ทำความเพียรอาจจะเจอไองทีมอาจจะเย็นสบายจนนัน่งน้านอนอยู่ก็ เดินนะเดินเป็ักก็ได้สำหรับคนที่อาจจะค่อนข้างง่วงมากก็อาศัยเดินเป็นหลักก็ได้นะเดินบางทีเดินสั้นๆอาจจะง่วงอยู่เดินยาวๆก็ได้นะเดินยาวสักยี่สิบเก้าสามสิบเก้าอะไรแเดินเร็วขึ้นยาวขึ้นก็ได้มองไปใกลๆเลยนะคือมันไม่จะเป็นว่าจะาจะต้องเดินแค่กลับไปกลับมาสั้นๆ คือเวลาเปลี่ยนรูปแบบเวลาเจออารมณ์บางอย่างที่มันไม่ไหวแล้วก็พลิกรูปแบบใหม่ได้นะหมายถึงว่าไม่ต้องไปติดแค่รูปแบบองเดิ ม, ดมท่าเดิ ม, ดมของเก่า อ, อ, อ, อ, นะอะไรก็ได้นะเพราะว่าถ้าเราจับปรักได้อะไรก็ได้ที่เป็นการเคลื่อนไหวเติมความเติมความลึกตัวเข้าไปแค่นี้คนะือหลักการรูปแบบเป็นสิ่งภายนอกเฉยๆการยกมือจะตีกันวาน่ากาเดินข้างมนะมาเป็นรูปแบบภายนอกซึ่ง เ้าก็อาศัยคือแบบนี้แล้วก็ไปยุคต่อ ย, ยอดไปนะแต่ก็ไม่ใช่ไปคิดจนเพลินประดิษฐ์ผ้าทางอะไรต่างๆนะมันมันก็จะหลงไปนะมันก็จะลงไปนะลองไ ป, ไปคิดทําอย่างนั้นอย่างนี้ดีกว่านะแต่ถ้าทําเพื่อแก้อารมณ์ไมเป็นไรครับเพื่อแก้ลงลองดูนะพวกเราผมได้ฟังมาหลายวิธีแล้วนะได้ฟังมาหลายวิธีเหลือแต่ลองทําจริงๆดูนะมันจะเป็นยังไง ไม่เป็นไรถีอว่าทุกอย่างเป็นประสบการณ์อาจจะง่วงอาจจะคิดก็ไม่เป็นไรนะลองดูว่าเราจะอยู่กับมันได้มากน้อยขนาดไหนนะแต่มาเชื่อว่าถ้าเราฝึกไปบ่อยนะฝึกไปบ่อยทำไปบ่อยนะเดี๋ยวมันก็กํนานาญมากขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างแหละนะมันจชำนานมากขึ้นจากการที่เราฝึกหัดจะทำไปบ่อยเนี่ยนะาภาวนาก็ ไม่มีใครจะเก่งมาแต่กาเนิดหรอกนะมีแต่องฝึกผัดกันทั้งนั้นฝึกผัดกั น, น้นกระดาก็นั่งยืมือองนั่งก่อยนั่งก่อย